นโมจตจักปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมจตักปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมจตักปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยะจักนาเนนะสเลนะสัญญเมนะดเมนย มิติตุนิตอติจิวภูริสัตวาติธรรมกถาณโอกาสนี้จะได้รับประชานมิสัจนาแะดงพระธรรมเทชนาเพื่อเป็นแนวทางให้การศึกษาและปฏิบัติ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 อันนี้ก็มองเห็นแล้วทาที่ควรรู้ควรเห็นไดนแต่ทำพิจารณาตามกระแสทำไปก็เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเนื้อทมเนื้ออัดเนื้อทรอม น, นั้นรู้ถึงข้อปฏิบัติควรจะปฏิบัติอย่างไรพอสองแสดงทรมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้นี่ก็ต้องใช้ปัญญา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 ธรรมเทสนามัยธรรมจัวนัยมรมจวนาใหม่วยาวัจะใหม่ปฏิทานาใหม่ปจานุโมทนาใหม่ล้วนแต่เป็นกิริยาบุญทั้นมีใหม่ใหม่พอถึงข้อสุดท้ายไม่มีใหม่เป็นชิชุชุกรรมแต่ก็รวมอยู่ในกลุ่มกิริยาบุญติด ลงเนี่ยมันมันแปลกอยู่ตรงนี้ทําให้เราคิดทําไมจึงเป็นทิศชุกชุกรรมแปลว่าทําความเห็นให้ตรงนี่ก็ตัวปัญญาคิดไปคิดมาปรุงเอ่ยกันกับมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นตรงทิศชุกชุกกรรมคือความเห็นตรง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 ทำไมไเรื่องทานเรื่องกินเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปแอะเรื่องนอกๆ ก, ก็เข้ามา น, นแม้แต่เราปฏิบัติภาวนาฟังธรรมต้องอาศัยพิทุกุกรรมมาคุมโดยถึงจะเป็นไปให้ถูกต้องเรียกว่าบุญคือความสะอาความถูกต้องทบกับ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 มีใครอารัธนามะายังพันธุออ์ไม่เห็นมีแล้วก็มีใครอารัธนาพรมมาจระโลกก็ไม่เห็นมีแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมดังและปัญจวคัคคีได้ชินมาจากไหนเป็นอื้นฐานสำหรับรองรับ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 ไฟตรงนี้มันสว่างมากสําหรับพระจองคําำีเทศถ้าก็แลามาแลงก็มาตอมไฟตรงนี้ก็จกพืชขังคกก็ไปจับมากินปินแล้วว่าวันมาอยู่ใต้ธรรมานแต่ลาแมลงตัวหนึ่งจกมาก็โดดไปจะครุบปีนจกอุบาจก อ, อุบาสิกาก็นั่งฟังทำไปทำหน้าที่ของตนไปพระก็ทำหน้าที่ของท่านไปเทศตาย แล้วก็ผลก็ทาหน้าที่ของมันไปตกปรำพรำเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ไปคนละอย่างแต่นี้เรามาดูขางคบกับคนเขาก็มีท่าตีขันท่าเหมือนกันเกลียดทุกรักจุกเช่นเดียวกันรู้จากอะไรอะไรคล้ายขึ้นกันแต่ค น, นรู้มากกว่านั้นและดูดีกว่านั้น รู้ถึงบาปถึงบุญถึงกุ่งถึงโทษคังคบเขาไม่รู้ถึงขนาดนั้นเขารู้เพียงแค่ขอเพตของเขาเท่านั้นนี่แหละขมทรัพ์ของเขาไม่มีเหมือนกับอุปนิสัยอุปนิสัยที่สะสมอบรมหมาไม่เหมือนกันประนั้นกรรมจึงจักให้คนมาเกิดเป็นคนจักที่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 จะเป็นอะไรแฟร์รีดโอโม่เรียกไม่ค่อยถูกทงซับฟอกยี่ห้อไหนก็ตามทีเอามาซักแล้วผ้าสะอาดใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องปรปโฆษณาโฆษณาเท่าไหร่ก็ตามแต่เอามาซักแล้วผ้าไม่สะอาดใช้ไม่ได้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 ถ้ามีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วความลดละความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นคือลดละกิเลสในพุทธศาสนานี้จุดหมายปลายทางสูงสุดคือคือละกิเลสได้หมดจริงๆ เ, เราฝึกหัดอบรมเรียกว่าอืมฝึกตนในทางจ้างความดีจะเป็นฌานเป็นสินเป็นภาวนาก็ตามที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 ม า, มาควบคุมมายะามายะฐานะใหมศีลใม่ภาวนาใหม่ต้องมีจิตทุกข์กรรมคบคุมพาะฉะนั้นการแม้จะปฏิบัติภาวนาก็ดีแต่เพื่อเพื่อมีอภิญิาหารเพื่อรู้อะไรอะไรจอดถึงรู้บัตรรู้เบอร์รู้หัวรู้รัตรีอะไรไปโน่นไม่ได้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 เอออืมเพราะฉะนั้นการฟังทรรมก็ดีการทาพิธาบุญใดๆก็ดีเพิ่งจังเกต ด, ดูที่ความรู้สึกความรู้สึกต้องมีการควบคุมไปด้วยทิทุขุ ก, กรรมัม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 วางแคร์ทิ่กระโรงทางนั่นนงเฝาานาเพื่อแสดงออกต่คนอื่นเขาอาจจะจันเขาเรื่องสาศรัทธาหรืออะไรยังไงไม่รู้ดอกแต่กิิยาที่ทำนั้นเราก็อ่านออกไปแล้วจะบาบุญยังไงก็ไม่รู้เราเอาออกมแกเพื่ออะไรอย่างไรถ้าเพื่อความสงบความวิเวก ก็เปลี่ยตัวไปแม้ไปในงานนักก็จเปลี่ยนตัวไปอยู่ก็กล่าวกำแพงกะโทนไม้ข้างนอกกำแพงอะไรก็มีจังหวดมีชีวิวาวิเวกทั่วไปแต่ทําไมจึงไปออกแบบในอย่านชุมชนเป็นน้ำผ่าวหนากระอวดแล้วก็แบบนี้ถ้าเราไม่มีทิฐุชุกกำก็ไปเห็นแล้วอ่านไม่ออกก็มีแต่ชิโรราบกราบไหวเท่านั้นเลย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 คนที่จะรับพรเป็นสามาัคคีไปคาบาลาีจะบอกกล่าวเล่าแจ้ง <c oughs> ในการประพฤติเป็นไปในความเฉื่อยไหลของอัตมาที่หนึ่ง <c oughs> เป็นไม้ไตรฝังเต็มทีแล้วั น, นี้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 ตามที่อัดปัดใจมีคนถวายมามากน้อยอย่างไรสมมติว่าต้องเสียการไปโดยเฉพาะส่วนตัวไม่มีที่จะเอาไปได้เล็ดใดน้อยก็ส่งไปสักสจุดนี้ไม่มีที่จะเอาไปหมดที่แล้วก็แม่แต่ร่างกายนี่ก็นอ้ําให้โรงพยาบาลทำพทิธีกรรมเอาไ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 ไปเป็นอะไรเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่พูดไปนคอถูกนะไม่รู้แล้วบางคำบางอย่างว่าไม่ถูกแกไปแล้วมันมันพูดยากนะบางทีของอะไรที่รู้อยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้แต่เนี่ยว่าไม่ถูกเวลาเราไม่คิดเราไปโโปรโนน เกณฑ์พู ด, พดไม่พูดเอาละตอนนี้ก็ขอ <Yeah. S 1> เลิอกากันก่อนเนาะขอเจอกันก่อนลาก่อน